ความหมายของกุศลและอกุศลกุศลและอกุศลลายกันโดยทั่วไปว่าดีและชั่วหรือไม่ดีก็จริงแต่แท้จริงแล้วหาตรงกันทีเดียวไม่สภาวะบางอย่างเป็นกุศลแต่อาจจะไม่เรียกว่าดีในภาษาไทยสภาวะบางอย่างอาจเป็นอกุศลแต่ในภาษาไทยก็มีเรียกว่าชั่ว ดังจะเห็นต่อไปนี้กุศลและอกุศลเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจและมีผลต่อจิตใจก่อนและจึงมีผลต่อบุคลิกภาพและแสดงผลนั้นออกมาภายนอกความหมายของกุศลและอกุศลจึงเพ่งไปที่พื้นฐานคือเนื้อหาสาระและความเป็นไปภายในจิตใจเป็นหลัก กุศลแปลาตามสับว่าฉลาดชำนาญสบายเอื้อหรือเกื้อกูลเหมาะดีงามเป็นบุญคล่องแคล่วตัดโรคหรือตัดสิ่งชั่วร้ายที่น่ารังเกยียจส่วนอกุศลก็แปลว่าสภาพที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลหรือตรงข้ามกับกุศลเช่นว่า ไม่ฉลาดไม่สบายเป็นต้นความหมายเชิองอธิบายในทางธรรมะของกุศลที่ถือได้ว่าเป็นหลักมีสี่อย่างคือหนึ่งอารมคยะความไม่มีโรคคือสภาพจิตที่ไม่มีโรคอย่างที่นิยมเรียกกันแบบ น, นี้ว่าสุขภาพจิต หมายถึงสภาวะหรือองค์ประกอบที่เกื้อกูลแก่สุขภาพจิตทำให้จิตไม่ป่วยไข้ไม่ถูกบีบคั้นไม่กระสับกระส่ายไม่โซมไม่อ่อนแอเป็นจิตแข็งแรงคล่องแคล่วสบายใช้งานได้ดีเป็นต้นความหมายหลักที่สองอนาวัชชะไม่มีโทษหรือไร้ตำหนิ แสดงถึงภาวะที่จิตสมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่เสียหายหรือไม่มีของเสียไม่มัวหมองไม่ขุนมัวสะอาดเกลี้ยงเกลาเยี่ยมอ่องผ่องแผ้วเป็นต้นความหมายหลักที่สามโกศลสัมพูดเกิดจากปัญญาหรือเกิดจากความฉลาดหมายถึง ภาวะที่จิตประกอบอยู่ด้วยปัญญาหรือมีคุณสมบัติต่างๆซึ่งเกิดจากความรู้ความเข้าใจสว่างมองเห็นหรือรู้เท่าทันความเป็นจริงสอดคล้องกับหลักที่ว่ากุศลธรรมมีโยนิโสมนาสิการคือความรู้จักคิดแยกคายหรือรู้จักทำใจอย่างฉลาดเป็นประทัดฐาน ความหมายหลักที่สสุขวิบากมีสุขเป็นวิบากคือเป็นสภาพที่ทําให้มีความสุขเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจย่อมเกิดความสุขสบายคล่องใจในทันทีนั่นเองไม่ต้องรอว่าจะมีผลตอบแทนภายนอกหรือไม่เหมือนกับว่ามีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเบียดเบียนคืออโรค่าไม่มีสิ่งสโปรกเสียหาย ราศจากมวลทินหรือของที่เป็นพิษภัยมาพ้องพานคืออนาวัชชะแลรู้ตัวว่าอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยถูกต้องเหมาะสมคือโกสลสัมพูดถึงจะไม่ได้เสพสวยสิ่งใดพิเศษออกไปก็ย่อมมีความสบายได้สวยสุขอยู่แล้วในตัวนอกจากความหมายทั้งสี่นี้แล้ว คำพีบางแห่งกล่าวถึงความหมายอื่นอีกสามอย่างคือเฉกะแปลว่าฉลาดและเขมาแปลว่าเกษมคือปลอดโปรง่งมั่นคงปลอดภัยและนิทรรธาแปลว่าไม่มีความกระวนกระวายแต่พอจะเห็นได้ว่าความหมายสามอย่างนี้รวมลวงได้ในความหมายสี่อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และในบรรดาความหมายสี่อย่างนั้นความหมายที่สคือโกษลสามพูดเป็นความหมายแกนความหมายของอกุศลก็พึงทราบโดยนัยะตรงกันข้ามจากที่กล่าวมานี้คือเป็นสภาพจิตที่มีโรคไรสุขภาพมีโทษมีตำหนดมีข้อเสียหายเกิดจากอวิชาและมีทุกเป็นวิบาก พูดสั้นๆอีกนัยยะหนึ่งว่าเป็นสภาพที่ทำให้จิตเสียคุณภาพและเสื่อมสมรรถภาพตรงข้ามกับกุศลที่ส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตเพื่อให้เห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นอาจปัญญาลักษณะของจิตที่ดีงามไรโรคไม่มีโทษเป็นต้นให้ดูก่อนแล้วพิจารณาว่า กุศลธรรมคือสิ่งที่ทำให้จิตมีลักษณะเช่นนั้นหรือกุศลธรรมทาให้เกิดสภาพจิตเช่นนั้นอย่างไรอกุศลธรรมคือสิ่งที่ทำให้จิตขาดคุณลักษณะเช่นนั้นหรือทำให้จิตเสื่อมเสียสภาพเช่นนั้นอย่างไรลักษณะที่จะกล่าวต่อไปนี้นำมาจากบาลีในที่ต่างๆหลายแห่งเป็นลักษณะของจิตที่ดีงาม ตั้งแต่ระดับสามัญจนถึงขั้นสูงสุดคือจิตของพระอรหันต์ขอให้ถือว่าเป็นการวางภาระที่สมบูรณ์ไว้เป็นมาตรฐานชุดหนึ่งว่าปัดสัทธะผ่อนคลายหรือเรียบสงบหรือเย็นสบายละหุเบามุทุ นุ่มนวลหรืออ่อนโยนหรือละมุนกรมมัญญะควรแก่งานหรือพร้อมที่จะใช้งานปคุณะคล่องแคล่วอุชุซื่อตรงไม่คดโค้งโกงงอบิดเบือนเชื้แชาอีกชุดหนึ่งว่ามูทุ นุ่มนวนละมุนกัมมณยะควรแก่งานเหมาะแก่การใช้งานประพัสระผ่องใสแจ่มจ้าอัป พ, พังคุไม่เปราะสอะแข็งแรงทนทานสมาหิตะตั้งมั่นอนาวรไม่มีสิ่งกีดกัน้นไม่ถูกจำกัด อนิวอนไม่มีสิ่งขัดขวางไม่ตัดขัดหรือคับค้องอนุปกิลิธะไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวอ น, นัชารุลไม่ถูกกดทับไม่ถูกกดถูกบีบอวิคาตไม่คับแขนไม่คับเครียดอึดอัดจุดนี้เกี่ยวด้วยนิวอนและโพชง ชุดหนึ่งว่าสมาหิตะตั้งมัน่นทรงตัวเรียบสม่ำเสมอปริสุทธะสะอาดหมดจดปริโยธาตะผุดพองกระ จ, จ่างสว่างสวยัยอนังคณะรไร้ไยฟ้าโรงโลงเกลี้ยงเกลาวิกตุปกิเลสะปราสิงมัวหมอง มุทุภูตะนุ่มนวน ล, มลละมุนละไมกัมมณียะควรแก่งานติตตะและอเนนชปตะทรงตัวอยู่ตั้งอยู่ได้เข้าที่อยู่ตัวไม่หวั่นไหวแน่วแน่ไม่วอกแวกจุดนี้คือลักษณะ จ, จิตที่ประกอบด้วยสมาธิเป็นอย่างดีแล้ว ลักษณะต่อไปนี้โดยมากเป็นภาวะจิตและบุคลิกภาพของพระอระหันต์นำมาลงไว้สำหรับประกอบการพิจารณาด้วยเช่นอากิจ น, นะไม่มีอะไรค้างใจไม่มีสิ่งข้างค้างกังวลสันตะาสงบซึง้งอโศกไร้โศกวิรชาไม่มีทุลีเขมะ เกษมหลอดโปร่งมั่นคงไม่มีภัยนิชชาตาใจไม่หอยหิวใจอิ่มสีติภูตะเย็นหรือเย็นซึง้งนิพุตะหมดร้อนเสรีคือเที่ยวไปได้ตามสบายไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวสยังวสีมีอำนาจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองแท้จริง สุ ข, ขีมีความสุขหรือเป็นสุขชุดนี้เป็นลักษณะที่กระจายอยู่ในที่หลายแห่งเพียงดูในตอนว่าด้วยภาวะจิตของผู้บรรลุนิพพานอีกชุดหนึ่งโดยมากเป็นลักษณะจิตและบุคลิกภาพของพระอระหันต์เหมือนกันแต่เน้นเฉพาะแง่ที่เป็นอิสระเช่นอันนันลีนาะ ไม่ติดหรือไม่หมกมุ่นอันัดโชสิตไม่สยบอนุปลิตไม่ถูกฉาบติดหรือไม่แปดเปื้อนอนิสิตไม่พึ่งพิงไม่ขึ้นต่อสิ่งใดวิสัญญุตไม่ผัวพันวิปมุิหลุดพ้นวิมาริยาที่กะตาจิตมีจิตไร้ขอบขั้น หรือมีจิตไร้เขตแดนชุดนี้มีมากมายหลายแห่งจำนวนคำแปลกกันไปบ้างเล็กน้อยและยังมีกระจายทั่วไปในคำพีมหานิเทศไม่น้อยกว่าสิบ้าแห่งเพื่อให้กำหนดได้ง่ายขึ้นอาจรวมลักษณะเหล่านี้เข้าเป็นกลุ่มได้ดังนี้กลุ่มที่หนึ่งตั้งมัน่น เช่นแนวแน่อยู่ตัวทรงตัวเรียบสม่ำเสมอไม่หวันไหวไม่วอกแวกไม่พล่านไม่สายกลุ่มที่สองบริสุทธิ์ผ่องใสเช่นปลาสิ่งมัวหมองไม่คุณมัวไม่เศร้าหมองไร้ไย ฟ, ฟ้าเกลี้ยงกลาวผุดผ่องแจ่มจ้าสว่างสวยัยกลุ่มที่สาม โปร่งโล่งเป็นอิสระเช่นไม่ติดข้องไม่คับแคบไม่ถูกจำกัดขัดขวางไม่ถูกกดทับหรือบีบคั้นไม่อึดอัดกว้างขวางไร้เขตแดนกลุ่มที่สี่เหมาะแก่การใช้งานเช่นนุ่มนวลอ่อนละมุนเบาสบายไม่หนักคล่องแคล่วทนทานไม่เปราะเสาะไม่กระด้าง ซื่อตรงไม่เอยนเอียงไม่คดงอไม่บิดเบือนไม่เฉฉชยกลุ่มที่หสงบสุขเช่นผ่อนคลายเรียบสงบไม่เครียดไม่ขับแค้นไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายหรือทุรนทุรายไม่ขาดแคลนไม่หิวโหยเอิบอิ่ม เมื่อทราบลักษณะของจิตใจที่สมบูรณ์มีสุขภาพดีไร้มนทินโทษเช่นนี้แล้วก็พึงนำเอาธรรมะที่ได้ชื่อว่าเป็นกุศลและอกุศลมาพิจารณาตรวจสอบดูว่าธรรมะที่เป็นกุศลส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจจริงหรือไม่อย่างไรและธรรมะที่เป็นอกุศลทําให้จิตมีโรคเกิดความเน่าเสียผุโสมเสียหายบกกร่องไม่สบายเป็นทุกข์ เสื่อมเสียคุณภาพและสมรรถภาพจิตจริงหรือไม่อย่างไรตัวอย่างกุศลธรรมเช่นสติความระลึกได้ความสามารถคุมจิตอยู่กับสิ่งที่พึงเกี่ยวข้องหรือกิจที่ต้องทำเมตตาความรักความปรารถนาดีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขอโลพะ ความไม่โลภว่างจากความอยากใกล้ติดใจตลอดจนมีความคิดเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นปัญญาความรู้ชัดความเข้าใจความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงปัสสัท t h ความสงบความผ่อนคลายสงบเย็นกายเย็นใจไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายอุสุลชันทะ ความพอใจไฟรักสิ่งดีงามอยากรู้อยากทำให้เป็นจริงมีจิตพุ่งแล่นไปในแนวทางเ ห, เหตุปัจจัยมุทิตาความปลอยเบิกบานยินดีบันเทิงใจเมื่อผู้อื่นประสบความเจริญหรือเป็นสุขเป็นต้นตัวอย่างอากุศ ล, ลธรรมเช่นกา ม, มฉันความอยากได้ใครเอา พยาบาทความคิดร้ายขัดเคืองหรือแค้นใจทีนามิทาความหดหูท้อแท้หงอยเหงาเสื่องซึมและงโอกงวงอุทจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านคิดพลานหงุดหงิดกลัดกลุ่มรำคาญและเดือดร้อนใจวิจิกิจฉาความลังเลไม่อาจตัดสินใจโกธาความโกรธ อิ ส, สาความริษยาเห็นคนอื่นได้ดีทนไม่ได้มาชริยะความตรณีความหึงหวงความคิดเกียรติกันเป็นต้นความแตกต่างระหว่างกุศลฉันทะกับกามฉันหรือโลภจะแสดงในตอนว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจในบทข้างหน้าในที่นี้พึงสังเกตเคร่าวๆว่า โลภะจับอารมณ์ที่เสมือนสำเร็จรูปแล้วหรือตั้งอยู่ณสุดทางที่ตันหรือตายตัวของมันโลภะมุ่งเอาอารมณ์นั้นมาเสพเสวยและเกิดมีตัวตนที่จะเอาหรือจะเสพเสวยนั้นส่วนฉันทะจับอารมณ์ที่เสมือนตั้งอยู่ณจุดเริ่มต้นของมันมีอาการที่จิตแผ่ไปรวมกลมกลืนกับสิ่งหรืออารมณ์นั้น ในการกระทำเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายหรือความเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกที่จะเสบเสวยและไม่เกิดความรู้สึกจำกัดแบ่งแยกมีตัวตนที่จะเอาหรือจะเสพเสวยเมื่อมีเมตตาจิตใจย่อมสุขสบายแช่มชื่นผ่องใสหลอดโปร่งและกว้างขวางเป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ ส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตเมตตาจึงเป็นกุศลสติทําให้ใจยอยู่กับสิ่งที่กําลังเกี่ยวข้องหรือต้องทําระลึกได้ถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในกรณีนั้นๆและป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายได้โอกาสทําให้จิตใจอยู่ในสภาพพร้อมที่จะทํางานได้อย่างดีสติจึงเป็นกุศล ความริษยาทำให้จิตใจแคบถูกกดทับบีบคั้นไม่สบายไม่ปลอดโปรง่งบั่นทอนคุณภาพและสุขภาพจิตอย่างเห็นได้ชัดความริษยาจึงเป็นอกุศลความโกรธก็แผดเผาใจของตนเองบีบคั้นกระทบใจให้ไม่สบายและส่งผลกระทบกระเทือนออกมาถึงสุขภาพกายได้อย่างรวดเร็วจึงเห็นได้ชัดเช่นกันว่าเป็นอกุศล กามฉันหรือแม้ความโลภอย่างกว้างๆ ก, ก็ทำให้จิตใจวก ว, วนพัวพันติดข้องกลัดกลุ่มหรือเอ็นเอียงไปเดินไม่ตรงและมัวหมองไม่โลง่งไม่โปรง่งไม่ผ่องใสจึงเป็นอกุศลดังนี้เป็นต้นมีข้อสังเกตว่าความหดหู่งอยเหงาเฉาซึมและความฟุ้งซ่านเป็นต้น แม้จะเป็นอกุศลแต่ในภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นความชั่วก็คงมิสู้ถนัดปากนักในทำนองเดียวกันกุศลธรรมบางอย่างเช่นความสงบผ่อนคลายในกายในใจจะเรียกในภาษาไทยว่าความดีก็อาจจะไม่สนิททีเดียวนักนี่เป็นตัวอย่างแง่หนึ่งให้เห็นว่ากุศลและอกุศลกับความดีและความชั่วไม่ใช่มีความหมายตรงกันแท้ทีเดียว เมื่อเข้าใจความหมายของกุศลและอกุศลอย่างนี้แล้วก็ยอมเข้าใจความหมายของกรรมดีและกรรมชั่วคือกุศลละกรรมและอกุศลละกรรมด้วยดังได้กล่าวแล้วว่าเจตนาเป็นตัวกรรมดังนั้นเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลก็เป็นกุศลละเจตนาและเป็นกุศลลกรรมเจตนาที่ประกอบด้วยอกุศล ก็เป็นอากุศลเจตนาและเป็นอากุศลกรรมเมื่อกุศลเจตนาและอากุศลเจตนานั้นเป็นไปหรือแสดงออกโดยทางกายทางวาจาและทางใจก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมและอากุศลกรรมทางกายทางวาจาและทางใจหรือเรียกอีกนัยะหนึ่งว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นกุศลและอากุศลตามลำดับ